นี่ลูกศิษย์บางองค์มาบวชก็อย่างนี้ใส่เป็นชาวบ้านอยู่เลยฝากอาจารย์นูสอนไปองค์หนึ่งเมื่อวานฝากไปเรียนข้อวัดเห็นไหมระบบของพระมีระบบอย่างนี้ด้วยนะฝากนักเรียนข้ามข้าวัดกันแต่ครูบาอาจารย์ต้องเป็นคนฝากนะ้ําไม่ใช่เทเลอรทะร่าไปเองอยู่เทเลอรทะร่าไปเองไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็โดนท่านเชงกลับมา ทำเนียมพระก็จะช่วยกันช่วยเหลือกันวัดนี้เก่งด้านนี้วัดนี้เก่งด้านนี้อะไรเงี้ยหนึ่งท่านอนุศน์มาเรียนธรรมะที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฝากพระของหลวงพ่อไปเรียนวินัยกับท่านแลท่านจะเก่งกว่าหลวงพ่อแม่นกว่าให้เรียนข้อพัดของพระพวกเราก็ต้องเรียนนะต้องเรียนเป็นฆราวาสก็มีธรรมะวินัยเหมือนกันธรรมะก็ต้องเรียน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 เรียนจกระทั่งถึงโล ก, กุตรธรรมทำยังไงจะพ้นโลกต้องเรียนส่วนพระก็จะเรียนวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่โล ก, กุตรธรรมไม่ได้เรียนที่จะอยู่กับโลกธรรมะอยู่กับโลกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างการปฏิบัติกับพ่อกับแม่อะไรเงรี้ยพ่อแม่ปฏิบัติกับลูกยังไงพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านทำประโยชน์เพื่อคนจำนวนมาก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 เจหข้อเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนต่างๆการวางตัวนะเช่นเคี้ยวอาหารนะไม่เคี้ยวดังจับจับจับเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ถือศีลอย่างเนี้ยนะไม่สดน้ําแกงดังซุดซุดอะไรเงี้ย น, ะนี่วินัยมีเยอะนะกินแล้วก็ไม่ได้ทําข้าวหกเลือนกลาดลยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่พูดไปร้อยหน้าลอยตาอะไรเงี้ยทาไม่ได้คารวะก็มีวินวินัยอย่างนี้เอามาใช้นะ ความจริงพระว่านมีศีลหลายสิบข้อเหมือนกันมีเยอะศึกษาเขานะศึกษาทั้งธรรมะที่จะอยู่กับโลกเพราะเรายังอยู่กับโลกทั้งธรรมะที่จะข้ามโลกธรรมะข้ามโลกของหลวงพ่อก็สอนทุกวี่ทุกวันธรรมะอยู่กับโลกก็ไปหาอ่านเอาเองง่ายจะตายไปแต่ทํายากเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ต่อลูกยังไงนะลูกมีหน้าที่ต่อพ่อแม่ยังไง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 พวกเรอย่าดูถูกนะธรรมะพวกนี้ถ้าเราทอดทิ้งเราก็จะเดือดร้อนแลเช่นติดอบายามุขขึ้นมาก็เดือดร้อนแลอบายามุขว่าทางไปอบายทางไปสู่ความเสื่อมเช่นกินเหล้าเมายาดูหนังฟังเพลงไม่รู้จักเลิกไม่เสียเวลาทำมาหากินเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจฉีเกียรติทำงา น, นสารพัดพวกนี้นําความเสื่อมมาให้ชีวิตนะ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 ทำหน้าอา่ี้ะมองหน้าเฮ้ยบุ้ยป่าไปหลังวัดให้ไปทางหลังวัดเพรวันนี้ก็งงงงท่านจะใช้ทำอะไรเอาละท่านสั่งให้ไปทางนี้ก็ลุยไปเลยนะลุยลุยแหวกต้นไม้ไปเลยเพราะท่านชี้เป็นเส้นตรงเนี่ท่านไม่ได้บอกให้อ้อมถนนนี้แล้วเลี้ยวถ น, นนนี้อย่างหลวงพ่อบุ้ยป่าไปทางเนี้ยโอ้ฝ่าเนี่ยงต้นไม้ต้องมุดมุดมดมุ ด, ม ด, มดไปนะไปจนถึงท้ายวัด ไปเจอลูกขนุนเพิ่งตกลงมาเลยต้องเก็บไปให้แม่ครัวครนะูบาอาจารย์ไม่พูดมากนะแล้ว <c oughs> มาถามมากแล้วก็โดนนะบางองคนะ์กลัวงูกลัวงูเห็นงูแล้วจะช็อกตายนะอ ง, งูเห่ามานะอาจร์มาหาบัวสั่งจับให้จับโดยมือเปล่านะ <c oughs> กลัวฉันร์มหาบัวมากกว่ากลัวงู <c oughs> จับจริงๆนะเดี๋ยวหลังๆเลยเป็นนักจับงูองนี้จับงูเก่งอีกองคหนึ่งกลัวตุกแกเห็นไหมพระก็กลัวเหมือนเราเหมือนกันนะบางคนกลัวตุกแกตุกแกอยู่ที่ประตูกุฏิเข้ากุฏิไม่ได้ลนะ้ท่านสัง่งเข้าไปกระโดดตุ๊บเลยไม่กล้าเดินนะออกมาเ <c oughs> นี่ยโดดเข้าโดดออกนี่นะวันหลังเลยเลิกกลัวตุกแกนี่ครูบาอาจารย์นะโอ้ยสอนเข้าใจยากที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 จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยนะเพราะท่านสั่งก็ต้องทำสิเม่มานั่งถามท่านนะผมจะอ่านยังไงจิตมันอยู่ตรงไหนนะอ่านมาแล้วจะเป็นยังไงนรือพวกเราชอบถามล่วงหน้าสอนให้ทาภาวนาปัจจุบันนี้ชอบถามไปล่วงหน้านู้นตอนบนรรลุมรรคผลจะเป็นยไงโอ้ยไปบรรลุก่อนแล้วค่อยมาถามนะเสียเวลาพูดมากไปคิดมากไปนะพยายามรู้สึกรู้สึกไป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 ปุงกันไปปรุงกันมาอยู่งั้นเรียนไปเรียนไปก็รู้ทันเออมันทำงานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ก็เข้าใจเรื่องดูจิตดูใจขึ้นมามันก็ต้องอดทนนะกว่าจะเข้าใจบางอย่างท่านสอนแล้วหลวงพ่อใช้เวลาทั้ง20สกว่าปีกว่าจะเข้าใจคือมันเกินสถานะที่คาวาะจะทำบางคำสอนบางข้อท่านสอนครั้งสุดท้ายไปหาท่าน 36วันก่อนท่านจะมารณาภาพเข้าไปกราบท่านท่านก็เทศเทศให้ฟังตั้งแต่บ่ายๆจนค่ำเลยนะทุ่มสองทุ่มเลยเนี่ยท่านหอบเลยหอบแฮกแฮ ก, กนะเราสงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับละจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้นะจาไว้นะจำไว้พบผู้รูููู้ใหู้ทําลายผูู้รูู้พบจิตใหู้ทําลายจิตจึงู้งููููููููููููููููููููููููููููู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจํำไหมเข้าใจได้ก็ประหลาดแนละ้วถ้าท่านถามถามว่าเข้าใจไหมคืนตอบว่าเข้าใจก็กลายเป็นไอ้โง่เท่านั้นมันเข้าใจไม่ได้หรอกคําสอนอย่างนั้นบอกไม่เข้าใจครับแต่จะไปปฏิบัติจะจําไว้เอาไปปฏิบัติท่านเออจําไว้นะไปไปได้แล้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 นี่โดยสถานะของฆรวาสเนี่ยมันทำไม่ไหวภาวะตัวเนี้ให้ทํำลายจิตทําลายผู้รู้ทําลายไม่ได้พวกเราบางคนได้ยินทําลายผู้รู้นะไปทํำลายสติแทนนะเพี้ยนไปเลยนะบ้าไปเลยทําลายผู้รู้เออเออย่างงี้ยนะพวกทำลายผู้รู้นั้นทำลายสติต่างหากนะเนี่ยกว่าจะเข้าใจนะใช้เวลานาน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 หลวงพ่อทํางานอยู่วงการโทรศัพท์ไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกท่านจําได้หลวงพ่อจําได้อาตมาจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากคนฟังเทศเยอะนะแต่นักปฏิบัติมีไม่มากครับครูบาอาจารย์พูดสันวนเดียวกันเลยหลวงพู่เทศก็แบบเดียวกันคนภาวนาทั้งวัดเลยนะบอกไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจริงๆคือผู้เจริญสติ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 ทำลายมันคือไม่จดถือมันตัวที่สองก็คือถ้าลูกไก่มันโตเต็มที่แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเองนี่ท่านสอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาบวชนะมาให้ลูกไก่มันโตมันโตแค่ไหนไม่รู้เรารู้แต่หลวงพ่อมันโตขึ้นทุกวันง <c oughs> ั้นครูบาอาจารย์นะสอนไม่มากทำกันนานเป็นสิบสิบปีเลยฝึกนะกัน แต่ถ้าบวชมันก็คงเร็วกว่านั้นนะแต่เบื้องต้นขั้นต้นๆเนี่ยคารวะ ท, ทําได้ไม่แพ้พระธรรมมาขั้นต้นๆเนี่ยคารว่า ท, ทําได้ไม่ช้ากว่าพระหรอกก็คารวะมีภัสสะรุนแรงกระทบกระทั่งรุนแรงียงแต่ว่าพอรุนแรงแล้วเลยพังาพาดไปสั ก, ก่อนไม่ทันดูเช่นแต่ละวันนะทํางานมากคิดมากเหนื่อยมากตกข้ามนอนไปละรู้สึกไม่มีแรงปฏิบัตินอนดีกว่า หรือบางคนก็อึดมากเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงก็พยายามจะปฏิบัติถูรูถูกลางมันไม่ได้ผลมันไม่มีแรงนะก็ต้องดูก่อนว่าเรามีแรงตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะปฏิบัติกลางคืนนะสับเวลาซะมาปฏิบัติตอนตื่นนอนเลยยังมีแรงอยู่นี่แบ่งเวลาของเราแล้วนะก็ดูตัวเราเองว่าตอนไหนสติเกิดบ่อยแล้วก็ภาวนาตอนนั้นแหละนะอยังหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นข้าราชการ จิตของหลวงพ่อเนะจะกับพี่กับเปล่าในการปฏิบัติตอนสี่โมงเย็นเพราะอะไรเพราะจะเลิกงานแล้วดีใจจะเลิกงานแล้วเริ่มมีแรงมาดูแล้วมีความสุขเขมีความสุขว่าจะเลิกงานแล้วนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้นี่พวกเราก็ดูเอานะเวลาที่เหมาะของเราแต่ละคนแต่ละคนมันเวลาตอนไหนของหลวงพ่อเนี่ยจะภาวนาได้ดีนะทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาจะเป็นเวลาบ่าย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 ตอ น, นั้นทั้งๆ ท, ที่งานหนักนะเราก็ดูของเราได้ใจมันเครียดขึ้นมาเราก็ดูนะเป็นไงเราก็คอยดูของเราได้ ไ, ดไม่ได้ช้าพาวนาอยู่ไม่กี่เดือนหนอกเคยหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่า <S <S พึ่งตัวเองได้แล้วหลวงปูด่ดูลย์ท่านบอกพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องมาหาท่านก็ได้เราก็ไปนะท่านบอกไม่ต้องมาหาท่านก็ได้นี่ท่านไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมาหาอาตมาอีก อย่าเซ้อนะบางคนท่านหมายถึงว่าพึ่งตัวเองได้และช่วยตัวเองได้และวแล้วเราภาวนานะภาวนาพักเพียรเข้าคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยว่าไม่มีที่ไหนเขาสอนให้หรอกวันนี้คนที่มาเรียนกี่ยวับหลวงพ่อตื่นขึ้นมานี่เป็นหมื่นลนะคนที่ตื่นขึ้นมามีเป็นหมื่นคนละ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 คนที่หลวงพ่อยอมให้ช่วยสอนมีหมอ น, นัดจาย์สุรวัตรนะมีแม่ชีมีครูบาตอนนี้มีหนุ่ยด็อเตอร์หนุ่ยคนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนดูจิต ด, ดูใจได้ดีจริงๆอีกท่านหนึ่งก็อยู่คนละฟากทะเลกันแต่ท่านบอกว่าท่านไม่อยากสอนโยมนะโยมท่านจะสอนพระเลี่ยงอย่าไปยุ่งกับท่าน ช่วยกันจําไว้นะว่าหลวงพ่อพูดประโยคนี้นะกับท่านถามเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปยุ่งกับท่านนะให้ท่านสอนพละาองท่านตามปานิธานเพระพระอ่อนแอลงไปเยอะแล้วส่วนโยมนะแข็งปึกเลยนะตอนเนี้ยจําหลักให้แม่นๆแล้วไม่พลาดหรอกพวกที่พลาดนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็ไปรู้อย่างอื่นพวกเราหัดดูกายดูใจใช่ไหมแทนที่จะรู้กายรู้ใจนะั่นไปรู้ความว่าง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 มีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นในะใจก็มีความสุขขึ้นมาช่วยแผ่วๆขึ้นมาใจมันตั้งมั่นของมันเองนะอะไรทำให้เกิดปัญญาเนี่ยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะมมันสืบทอดกันมาเป็นช่วงช่วงเป็นสายโซ่เลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยเหตุกับผลลิงก์กันไปเรื่อยๆนะเช่นอะไรมีอยู่นะ สังขารจึงมีอยู่เนี่ยเพราะอาพิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่อะไรมีอยู่สังขารจึงมีอยู่นเพราะวิญญาณมีอยู่สังขารจึงมีอยู่เรื่รญญญอไล่ไล่ไลล่ไปนะนเพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่ลิงก์กันไปหมดนะธรรมะแต่ละอันแต่ละอันธรรมะของท่านแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะมันไม่ได้อยู่โดดๆถ้าศึกษาให้ดียยอย่างอิธิบัติสี่ฉันทาวิริยาจิตตาวิมังสาเนี่ย